นนนนานานานาพอแม่ไอถามหาบอก่ยิงคนนั้นไปใส้แล้ว อันล่ะมาสวยงานเพื่อนเพืีอนเพื่อนซันอยู่บ้านมันโคน ไ, ลนไหลไอ้ผู้เดียวมันคงตายได้ต้อมาคงสั่งใบควบคัวของไอ้เงินคำไม่ค่คอยไหลัก ขอให้ผมจัดละมุงเพื่อเจ้าขอจัดแง่นแดงแล้วองหากสองเทาไห้มีแต่ทารลังคำตอบจากเจ้าออ ใใเพียงตัวกบคุอาจจะบอให้เจ้านั้นต้องเยียบตงมาวอื้อในโบได้วนสนใจเลยน้องน พอเก่งยังก็ได้ละเพียงอยากให้น้องเราเป็นไพ่แม่เฮาถ่าเจ้าตกลงเพราะให้ผมจัดระวงเพื่อเจ้าผมจัดงานแต่งละกคงหากสองเฮาไอมีแต่่ารั ง, งสอบจากเจ้าออแน่แม่น้องบอกว่าไอ ห, หมุนลอย จะป้อเสียบแต่ว่ามาเคียบมันคือหน่วยนาผมนี่โบมีดอกซูเปอร์คาร์เพราะผมนั้นมีแต่ให้มีแต่หนา้าถ้าคบกับอ้จะบอกให้มีน้ำตามีแต่ไอ้สิพาดอกไปไทยนาไปหาเซมมองแล้วไปหาจับปลา แม่ผมบอกว่าดัใจน้องน้่งมาเป็นลูกไพ่ก็ดูโบเกงอะไรก็ได้เพียงอยากแต่น้องเป็นไพแม่เฮาทาเจ้าตกลงพอผมพร้อมจัดล่ำพวงและเพื่อเจ้าพร้อมจัดงานแต่งความหักสองเฮาให้มี